พระคุณของอีดอนมานดายิ่งใหญ่กว่าฟ้ากว้างกว่ามหาสมุทรพระคุณเลิศล้ำเหนือเกินคำใดพูดไม่ต้องพิสูจน์ว่าท่านรักเราจริงแค่ไหน นาพอเกิดลืมตาดูโลกพ่อคอยห่วงใยส่งให้เราเรียนศึกษาวิชาจนใหญ่พ่อแม่ห่วงใยลูกนี้ไม่เคยจืดจางทนลำบาก ท่านช่วยเยียวยาทุกทางมีใครในบ้างรักเราเหมือนดังพ่อแม่เท่าชราหูตาฟ้าฟัางไม่ดีวิ่งวอนลูกนี้อย่าทิ้งพ่อแม่ตอนแก่พระผู้ทรง พ oh yeah. ระคุณพ่อแม่อยากแแคหาสิ่งใดเปรียย่ยปไปทนลําบากตราตรัำทำงาน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 พระคุณพ่อม